สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะได้เวลาที่จะกลับมาพบกันกับดิฉันสัรสนีนาคพงศ์ที่สถานีวิทยุ FM106 ครอบครัวข่าวในรายการสรรสนีสนทนากันอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราได้หยิบยกเอาเรื่องราวจากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเรื่องทางโลกแล้วก็อารัธนาพระคุณเจ้านะคะมาตอบที่เราเรียกกันว่า ตอบธรรมโดยใช้ธรรมะของพระพุทธองค์เน้นที่เป็นธรรมวินัยพุทธว จ, จนะจากพระโอษ์ะนะคะมาขยายความเพื่อที่จะให้เราได้ทราบว่าบนโลกใบนี้เนี่ยในทุกๆเรื่องเราสามารถเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปจับได้พร้อมกับเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติจากพระโอษ์ะนะคะก็มาถึงตอนที่เข้มข้นมากขึ้นในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นช่วงที่ก่อนปรินิพานจนก้าวไปสู่ การปรินิพานซึ่งถือว่าเป็นการที่ถ้าจะพูดแบบชาวบ้านธรรมดาเนี่ยสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติที่นับถือาศาสนาพุทธก็จริงแต่เราก็ยังมีเหมือนมีมรดกของพระพุทธองค์เนี่ยนะคะที่ทำให้เราได้เหมือนกับว่า พระพุทธองค์นั้นไม่ได้จากเราไปไหนเพราะว่าทรงมอบมรดกที่ล้ำค่าแล้วก็มีความเป็นอากาลิโกคือใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งสำคัญของรายการนี้นะคะที่นำเอามาบอกกล่าวกับท่านผู้ฟังกันอยู่เสมอๆคะ่ะเรื่องราวในทางโลกวันนี้ที่ดิฉันสนใจเนี่ยนะคะก็คือเรื่องรว ย, รวยจ น, จนคาว่ารวยกระจุกจนกระจายเนี่ยได้ยินมานานแล้ว จนจำไม่ได้ว่าเริ่มต้นได้ยินเมื่อไรแต่ว่ามามีงานชัดเจนที่มาบอกย้าในเรื่องนี้จากวงการประชุมของสถาบันพระปกเกล้าเขาเรียกว่าเป็นการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่11ที่ผ่านมาไม่นานนะคะในหัวข้อความขัดแย้งความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐการจัดการการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทย ในส่วนของปาทกถานําสู่สังคมที่ยอมรับกันว่าแฝงซึ่งมีอาจารย์ผาสุขพงไพจิตจากคณะเศรษฐศาสตร์จุลาค่ะท่านก็ได้กล่าวว่าการที่ลูกหลานจะมีอนาคตที่แจ่มใสพอๆกันในสังคมไทยปัจจัยสําคัญคือรัฐบาลที่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของกลุ่มต่างๆได้อย่างสมดุลกลไกสําคัญคือนโยบายการคลังการเก็บภาษีและการจัดสรรเงินภาษีทํานุบํารุงเศรษฐกิจและประชาธิปไตย และกล่าวเสรินะคะว่าถ้ารัฐบาลไม่สามารถบรรลุเป้าดังกล่าวได้สังคมก็จะไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นความมั่งมีมหาศาลและคนชั้นกลางฝ่ายหนึ่งกับคนจนส่วนใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่รอวันประทุขณะนี้ปัญหาทางการเมืองไทยก็มีต้นต่อจากความเหลื่อมล้านั่นเองแล้วท่านได้แสดงข้อมูลของ TDI ว่า ทรัพย์สินของครอบครัวไทย น, ะ, นะคะได้พบว่าครอบครัวที่รวยที่สุด 20% ่สเนี่ยยีของประเทศนับรวมกันแล้วมีทรัพย์สินเป็น 69% ของทั้งประเทศคน20์ของประเทศรวยเป็น6กของประเทศขณะที่ครอบครัวจนที่สุด 20% ครอบครัวจนที่สุด 20% นะคะมีทรัพย์สินรวมกันเพียงหปอร์ของประเทศก็เป็นการสะท้อนในสิ่งที่ได้พูดมาว่า ความมั่งคั่งนั้นกระจุกตัวข้อมูลการฝากเงินในธนาคารการถือครองหุ้นการถือครองที่ดินล้วนแล้วแต่แสดงถึงนัยยะการกระจุกตัวของไรายได้และความมั่งคั่งสูงมากและส่วนใหญ่อยู่ในมือของคนจํานวนน้อยไม่กี่ตระกูลและกลุ่มคนเหล่านี้ก็มักจะจับลูกหลานมาแต่งงานกันด้วยเหตุที่สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ําสูงเนื่องมาจากระบบราชการรวมศูนย์การเมือ <casi S 1> ง, งขนาดทีปไตยทหารพาณิชย์ประชาธิปไตยแต่ในนาม อันนี้เป็นการที่ดิฉันอ่านสรุปของอมติชนนะคะเขาสรุปมาสั้นๆดังนี้เขาไม่ได้กล่าวหาเรื่องธรรมะอะไรเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเป็นประเด็นที่เดี๋ยวนะคะพระคุณเจ้าคือพระภัยบุญอภิปุณโนจากวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีคะ่ะจะมาร่วมสนทนาธรรมในหัวข้อนี้กันในช่วงถามโลกตอบธรรมคะ่ะ